ก็ได้พูดไปนะว่าเวลากินอาหารเนี่ยไม่ควรเพียงแค่ตักอาหารนะใส่ท้องแต่ควรใช้โอกาสเนี่ย เ, เติมอาหารให้กับจิตใจอาหารที่ว่าก็ได้แก่ความสงบได้แก่สติได้แก่ความรู้สึกตัวซึ่งมันก็จะช่วยทำให้อาหารที่เรากินเนี่ย มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเต็มที่ด้วยเพราะว่ า, อาพอเราไม่เครียดเพราะความคิดทุ่งซ่านนะการย่อยอาหารก็จะดีขึ้นนะแล้วก็ทำให้เรากินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมนะเพราะบครั้งเนี่ยพอเรากินด้วยความไม่รู้ตัวกินด้วยความอยากนะ เพลิดในรถอาหารเนี่ยมันก็ทำให้เรากินมากบางทีไม่ใช่แค่มากเดียวนะอาหารไปติดคอก็มีเน ย, ยเพรากกินขนมนะพวกข้าวเหนียวนี่คนญี่ปุ่นเนี่ยนะพอถึงช่วงปีใหม่ก็จะกินอาหารก็จะกินขนมคล้ายๆโมจินะเพราว่า โมจิติดคอจนตายหรือว่าเป็นผักก็มีนะเพราะว่าพอติดคอแล้วอาหารอากาศมันไม่เข้าไปเลี้ยงร่างกายสมองขาดออกซิเจนก็กลายเป็นสมองตายนะกลายเป็นผักไปนะอันนี้สัยสาคัญก็เพราะว่ากินยังไม่มีสตินั่นแหละเคี้ยวเอาเคี้ยวเอาขณะที่ตาก็าอาจจะดูโทรทัศน์หรือว่าพูดคุยไปด้วยอันนี้นอกจากการกินอาหารซึ่ง มันเป็นโอกาสที่เราจะเติมทั้งอาหารสำหรับกายแล้วก็อาหารสำหรับใจแล้วเนี่ยกิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นการเกื้อกูลทั้งกายและใจได้เชอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยนะอาบน้ำล้างหน้าเนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสตินะไม่ปล่อยใจลอยให้คิดฟุ้งซ่านไม่ไปผวงถึงงาน นะไม่ไปคิดห่วงลูกห่วงหลานในเวลานั้นการล้างหน้าเนี่ยอาบน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชาระร่างกา ย, ยาให้สะอาดเท่านั้นแต่มันจะเป็นการชาระใจให้หายหมลหมองให้มีความสดชื่นด้วยอาบน้ำทั้งที้วนะก็อย่าให้มันเป็นแค่การชาระ ก, กายนะแต่ว่า ให้เป็นการชําระใจไปในตัวด้วยอันนี้เรียกว่าทำหนึ่งได้สองได้ทั้งกายได้ทั้งใจมันก็เมื่อการหายใจนะหายใจเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจการหายใจนั้นจะไม่เพียงแก่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเท่านั้นแต่มัยังสามารถจะนําเอาความสงบเย็นไปหล่อเลี้ยงจิตใจ อันนี้ก็เรียกว่าทำหนึ่งได้สองเป็นประโยชน์ทั้งกายและใจแต่บางคนเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งก็คิดคล้ายๆกันนะคือทําอย่างเดียวได้หลายอย่างแต่ว่าวางจิตวางใจแตกต่างกันไปเช่นเวลากินข้าวเวลาอาบน้ําเวลาล้างหน้านใจก็คิดเรื่องงานเรื่องการก็คิดว่าทำหนึ่งได้สองเหมือนกันนะก็คือว่าทําความสะอาดร่างกายแล้วก็อ คิดงานคิดการไปในตัวด้วยเอาบางคนเวลารีบผ้านะตาก็ดูโทรทัศน์นะหูก็ฟังเพลงนะบางทีปากก็คุยนะกับลูกหรือว่าต่อว่าลูกไปด้วยก็ได้เพราะลูกอนะ่ากินข้าวช้าเนี่ยหรือว่าดื้อ น, นะไม่ยอมทำการบ้า น, นก็ดูเหมือนว่าทำอย่างเดียวได้หลายอย่างนะ ภาษาฝรั่งเรียกว่า multitasking นะ multitasking ก, ก, ก็คือว่าการทำภารกิจการงานนี้ฝรั่งก็นิยมแบบนี้เยอะนะเวลาทำงานนะก็ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันประชุมไปด้วยนะตอบเมลไปด้วยนะอันนี้ดูเหมือนว่าเป็นการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพแต่พรกว่ามันทำให้ใจแย่ลงนะเพราะว่าใจไม่มีสมาธิใจนี่แตกเป็นเสียงๆ เ, เลยเพราะว่า ต้องใส่ใจหลายเรื่องหลายลาพร้อมกันและสุดท้ายใจก็ไม่มีสมาธิเพราะตดจ่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวนะเช่นรีดผ้านะขณะที่รีดผ้าก็ต้องเอาใจจดจ่ออยู่กับผ้าที่รีดสักพักก็ต้องไปดูโทรทัศน์ตาเพตาจับจ้องโทรทัศน์อยู่ใส่ใจอยู่กับโทรทัศน์สักพักก็ต้องหันมาคุยกับลูกบางทีตายัง ดูโทรทัศน์อยู่เลยนะแต่ว่าใจไปตดจ่ออยู่กับคำพูดหรือว่ า, าคิดหาคำที่จะพูดกับลูกจิตที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกนะเปลี่ยนย้ายความสนใจในเวลาชั่วประเดียวเดียวนี่ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะไม่มีสมาธินะจะให้ตั้งมั่นอยู่กับอะไรสักอย่างแค่สิบวินาทีหรือว่าหนึ่งนาทีนี่ทำไม่ได้แนละ เพราะว่าจิตเนี่ยถูกกระชากนะให้สนใจเรื่องนั้นแล้วก็สนใจเรื่องนี้เนี่ยในเวลาประเดี๋ยวเด <c oughs> ียวการนั้นเหตุความสนใจของจิตจากโทรทัศน์ไปอยู่ที่ <c oughs> <c oughs> เสียงคุยของลูกหรือว่าไปอยู่ที่การคิดหาคำที่จะคุยกับลูกหรือการคิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยเนี่ยนะมันมันเมื่อการกระชากจิตกระชากจิตจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ กระชางไปกระชากมานี่จิตมันบอกไม่ต้องกระชากแล้วฉันไปเองเลยนะแล้วก็ไปแบบอยู่กับที่ไม่เป็นก็จะเกิดอาการที่ลดสมาธิสั้นได้แล้วก็ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวได้ง่ายมากอันนี้ก็เรียกว่าไม่คุบแล้วถ้าติดไปเป็นนิสัยนะก็จะทำอะไรไม่ดีสักอย่างนะหลายคนเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยเขาคิดถึงแต่เรื่องงานเรื่องการ มีพี่ญิงคนหนึ่งเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยเขาจะรีบกินเพื่อจะไปทํางานมือน้อนึงเนี่ยใช้เวลากินไม่ถึง5นาทีเป็นผู้หญิงเก่งรีบๆกินเพราะว่าใจเนี่ยนึกถึงงานที่กำลังรออยู่ไอ้ตอนที่กินเนี่ยก็ไม่ได้ใจก็ไม่อยู่กับการกินนะใจก็คิดถึงงานไปด้วยแล้วก็ถูกคร่อม ง, งํามด้วยความรู้สึกเร่งรีบร้อนนะ ไอ้ความเร่งรีบล้นเนี่ยเกิดขึ้นกับใจคลองใจยังไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะไม่มีสติทำเป็นนิสยัยรีบกินเสร็จก็ไปทำงานนะแล้วเกิดอาการหนึ่งที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันเกิดจากอะไรนะก็คือปวดท้องแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มนะหายใจไม่เต็มปอดไปหาหมอเนะท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเป็นมาสิบปี จระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับคำแนะนําที่จริงไม่ไมใช่คําแนะนำเขาตัดเขาเข้ามานะไปเข้าคอร์สวิชาวิชาชีวิตนะแล้วก็วิชานี้อาจารย์ก็สอนดีให้กลับมาดูใจดูพฤติกรรมตัวเองว่ามีอะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาเรื่องที่มันเป็นไปได้ง่ายๆแล้วเขาก็เลือกการเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะเป็นโครงงานนะโครงงานที่แปลกนะแทนที่จะ เขียนเป็นรายงานแทนที่จะทำอ ะ, อะไรที่เป็นรูปธรรมนะสร้างด้วยมือทำด้วยมือนะแต่ว่าเป็นค่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคือเคี่ยวข้าวให้ช้าลงนะแล้วโครงงานนี้ก็ต้องไปรายงานต่ออาจารย์นะว่ามีความคืบหน้าในแต่ละอาทิตย์อย่างไรบ้างทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันแต่ว่าแต่และคนก็เลือกโครงงานแตกต่างกัน สุดท้ายแต่ความแตกต่างหรือปัญหาของแต่ละคน mm hmm. เมื่อเขาเคี่ยวค้าวช้าลงเนี่ยนะที่จริงใจมันก็อยากเคี้ยวข้าให้เร็วๆนะแต่ว่าเนื่องจากมีการมันเป็นการบ้านซะแล้วนะเป็นการบ้านที่ต้องไปไรายงานหน้าชั้นวันนั้นก็ต้องตั้งใจทําความรู้สึกอย่างแรกคือรู้สึกข้าวนี่มันมีรสหวานหลายคนนี่ไม่เคยรู้สึกนะว่าข้าวมีรสหวานนะเพราะตอนที่เคี้ยวนี่ใจไม่รู้ไปไหนนีก็เพียงแต่เคี้ยวไปตามหน้าที่ให้มันเสร็จเสร็จไปซะ นะแล้ตอ น, น, นพอเขาทาไปนานๆเนี่ยเขาพบว่าไอ้โรคปวดท้องและหายใจไม่เต็มปอดเนี่ยมันหายไปเป็นมาสิบปีแก้ไม่หายแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงตอนนี้รู้แล้วนะเป็นเพราะว่ารีบรีบไม่ใช่รีบกินข้าวอย่างเดียวนะมันรีบทําอะไรหลายๆอย่างก็กลายเป็นว่ารนเร่งร้อนกระหืดกระหอบนะขณะกินข้าวนี่อย่งกระหืดกระหอบเลยนะก็คือต้องรีบเกิน มันเคียวไม่เต็มเคี้ยก็ไม่ละเอียดนะเวลาทำอะไรเนี่ยนะคนเราถ้าเร่งเร่งเนี่ยนะมันจะมันจะมีปัญหาระบบการหายใจเดี๋ยเพราะถ้าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเนี่ยการหายใจจะไม่ดีสังเกตไหมเวลาเราโกรธเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะมันจะตื้นมันจะมันจะสั้นนะเวลาเราเกรงเวลาเราเครียดเนี่ยการหายใจก็จะเปลี่ยนไปเวลาเราโลนเวลาเรารีบเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกัน ไอการเกรงเนี่ยนะมันก็มีส่วนนะเราสังเกตมไหมเวลาเราเราเร า, เราสนเข็มอะเวลาเราสนเข็มเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะหยุดหายใจจะกลั้นลมหายใจเพราะว่าจิตมันไปนจดจ่อยตรงนั้นแล้วก็มีอาการเกรงด้วยส่วนใหญ่เวลาสนเข็มก็ไม่ได้ผ่อนคลายเท่าไหร่นะกจะเกรงพอเกรงปุ๊บเนี่ยกลั้นลมหายใจเลยแต่บางเออเราสนเข็มใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเกรงหรือว่าเครียดกับงานนี่ นะมันก็จะกลั้นหายใจนะเป็นพักๆ ก, การหายหรือถึงหายใจก็หายใจถี่สั้นและยิ่งแม้แต่การมาปฏิบัตินะถ้าคนหลายถ้าใครเนี่ยมาเพ่งนะเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือไปพยายามบังคับจิตเนี่ยมันก็จะมีอาการเกร็งโดยไม่รู้ตัวมีการกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวพอทําไปนานๆสีห้าวันเริ่มหน้ามืดเวียนหัวปวดหัวนะ อันนี้แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่เป็นนะบางทีมันไม่ได้เกิดจากการเร่งรีบลงอย่างเดียวนะมันแต่ว่ามันก็มีส่วนในเรื่องความอยากด้วยอยากจะบังคับจิตให้สงบเป็นก็เลยไปไ ป, ไปพยายามเกรงพยายามบังคับจิตให้แนบนันอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับมือบ้างอยู่กับเท้าบ้างนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะพอเขาหายพอเขาเคี้ยว์่ข้ช้าลง นะเคี่ยวข้าวสบายๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นนิสัยติดตัวมา 20- 30ปีและใจมันก็พยายามคิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่คอยกระตุ้นเราให้ต้องรีบกินนะนก็ต้องมีสตินะต้องมีสติพอรู้เราก็ต้องวางรู้แล้วก็วางนะกลับมาอยู่การกินแล้วต่ อ, ตอหลังพอกินไปพอกินข้าวช้าลงนะก็เริ่มให้ความสนใจกับคนที่กินข้าวร่วมโต๊ะก็คือลูกนั่นเอง แต่ตก่อนนี่กินข้าวนี่ไม่สนใจลูกเลยรีบกินแล้วก็ไปไม่มีการทักทายลูกแต่พอเคี้ยวข้าวช้าลงก็เริ่มทักทายลูกความสัมพันกลูก ก, ก็ดีขึ้นลูกนี้ก็โตลแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกับแม่เท่าไหร่เพราะแม่นี่รีบตลอดเวลานะพอแม่นี่เริ่มกินข้าวช้าลงมีเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารหนานขึ้นก็เริ่มสนทนาปลาใสนะความสัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้น ตอนหลังก็เริ่มไว้ใจลูกลูกทํางานกับแม่นี่ยลูกไม่ไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากแม่เลยเพราะแม่เก่งแต่พอแม่เนี่ยเริ่มไว้ใจลูกเพราะว่าสนทนาปลาษายกันทุกเช้านะความความสัมพันธ์ดีขึ้นก็เริ่มกระจายงานให้ลูกลูกก็มีความสุขที่ได้รับความไว้วางใจจากแม่ตัวเองก็มีความสุขที่งานเบาบางลงนะมีเวลาว่างมากขึ้นตอนหลังก็เลยมีโอกาสไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมพ่อ แต่ก่อนบอกพ่อแม่ว่าไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งปีนะแต่ตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วเพราะว่ากระจายงานให้ที่แรกก็ให้ลูกทําต่อหลังก็ให้ลูกน้องทําด้วยนะก่อนสบายกับพ่อแม่ก็ดีขึ้นต่อหลังก็พาแม่ไปเที่ยวพาพ่อไปเที่ยวนะช่วยก็ดีขึ้นนะดีขึ้นหลายอย่างทั้งร่างกายนะทั้งความสัมพันธ์กับลูกเพื่อลงงานแล้วส่งผลต่อการงานในบริษัท และความสมัรถกับพ่อแม่ก็ดีขึน้นทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นเพียงแค่ว่าเคียวค่ายช้าลงนะนเพราะนั้นเนี่ยมันในการที่เราทำอะไรยังมีสติเนี่ยนะมันมี น, นิสสงมากนะถึงแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยอแล้วก็เตรียมรับพร